ปัตินี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัตรริอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะที่กำลังกล่าวถึงนั้นอยู่ในกลุ่มของสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ส ง, งบอยู่ภายในใจของคนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีอารมณ์มากระตุ้นจากข้างนอกหรือจิตใจบุคคลไปเหนียวนึกไปตรึกนึกถึงเรื่องนั้นๆกิเลสประเภทนั้นก็จะเกิดขึ้นการนํามาเรียงเอาไว้ก็เป็นเรื่องของภาษาที่จะต้องมีการเรียงแต่ว่าการเกิดภายในจิตนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตของบุคคล ใจิตใจของบุคคลหนักไปในเรื่องอะไรมากกิเลสประเภทนั้นก็จะเกิดขึ้นมากแต่จะเป็นกิเลสประเภทใดก็ตามสรุปแล้วก็คือเรื่องของโลคโกรดตรงได้กล่าวถึงเรื่องของปฏิฆะเป็นอาการความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจจนถึงกำลําขาดหมุดหงิดซึ่งว่าซึ่งหมายความว่าเป็นอาการของความโกรธ แต่ไม่ได้พูดถึงรุนแรงขนาดพยาบาทอาฆาตองอ่างจงพรานเป็นความรู้สึกกระทบกระทั่งทางใจได้เห็นได้ยินได้ได้เห็นได้ยิ น, ไ ด, ไ, ด น, ไ, ดยนได้สุดรมได้ลิ้มได้จับต้องอะไรแล้วก็เกิดกำหนดอารมณ์เหล่านั้นว่าเราไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้น ก็จะเกิดอาการไม่พอใจไม่ยินดีมากเข้ามาเข้าผมก็จะหงุดหงิดแล้วก็อาจจะแรงออกมาเป็นรูปของความโกรธความประทุษร้ายความมาคาดความพยาบาทมันก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ถ้าใ้ดูเฉพาะความรู้สึกขณะนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าอาการที่เราหนุดหงิดนั้นอาจจะมีองค์ประกอบหลายประการประการแรกคือเราเก็บความรู้สึกไม่พอใจต่อสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้ว เพรานพอเห็นปั๊บพอรู้ว่าใครเป็นใครมันก็เกิดไม่พอใจปุ๊บขึ้นมาทันทีในส่วนหนึ่งเนี่ยตามปกติเวลาเราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสเป็นต้นเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรมาก่อนความยินดียินร้ายก็ยังไม่เกิดแต่มจะเกิดความไม่รู้จากนั้นก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่านเราก็สงสัย แต่เพราะเศราเพราะสิ่งนั้นเป็นอะไ ร, รใครเป็นใครดีไม่ดีตามความรู้สึกนึกคิดของเราตอนนั้นถ้ากําหนดว่าไม่ดีมันก็เกิดเป็นรูปของปฏิกะได้และตัวการใหญ่จริงๆคือภายในจิตใจของคนนั้นมีธาตุท่านเรียกว่าพยาบาทธาตุคือเชื่อของความโกรธคือเราพุทจริตท่านเรียกว่าโทสะเจริญ เวลาพูท ธ, ธาท่านเรียกว่าพยาบาทธาตุหรือว่าโทสะธาตุแล้วความมันเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวสงใช้คำว่าจิตใจเหมือนกับแผลคือธรรมดาว่าแผลทั้งหลายเนี่ยมันไวต่อการเจ็บปวดคือกระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยก็จะเกิดการเจ็บปวดปัญใจของคนมัาก็มีลักษณะอย่างนั้น บางครั้งทรงอุปมาให้เห็นว่าอารมณ์ระดับเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมมติเราก็าด่ามาประโยคหนึ่งแต่ฐานของฐานใจคนเนี่ยมันต่างกันอุปมาให้ดูเหมือนกับรอยขีดในน้ํารอยขีดในดินรอยขีดในขินก็คือรอยขีดด้วยกันหมายความเอาอะไรก็ตามขีดทีเดียวด้วยกันเช่นเอาเหล็ก มาอันหนึ่งแล้วมาขีดลงในน้ําแล้วขีดลงในดินแล้วขีดลงในหินคนคนเดียวกันขีดและใช้เหล็กกันเดียวกันก็แสดงว่าตัวอรงข้างนอกมันก็เท่ากันแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยของดินของน้ําของหินเนี่ยมันต่างกันพื้นฐานของน้ํามีลักษณะอ่อนแล้วขีดลงไปมันก็ตันนั่นเองมันก็เป็นรอยเฉพาะช่วงที่ขีดเสร็จแล้วก็เลือดหายไป ควาจิตใจของบุคคลที่กระทบอารมณ์จากข้างนอกซึ่งไม่พอใจนะโดยกําหนดว่าไม่พอใจหรือไม่พอใจมาก่อนหรือสึกนึกว่าไม่พอใจก็ตามบางทีมก็หายไปเร็วมันมีลักษณะเป็นการผูกโกรธหรือผูกใจเจ็บกิจะโต้อตอบกิจะล้างแค้นคิดจะทลายก็แล้วแต่จะคิดนะคือเมื่อไดคิดถึงขนาดนั้นมันก็อาจจะไม่พอใจนิดหน่อยแล้วก็เลิกรากันไปก็จบแล้ว รุ่งเช้ามันก็ลืมหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ตกค้างอยู่ภายในใจมเหมือนรอยที่เราขีดลงไปมันก็ไม่มีรอยอยู่ในน้ําทีนี้ใจิตใจคนบางพวกนี้อารมณ์มันก็มีแนวเดียวกันดังกล่าวแต่พอดีมันมีลักษณะเหมือนดินดินในทีน่นี้อุปมาถึงการขีดนะไม่ใช่ว่าพูดในกรณีอื่นเว่าการเอาดินมาเป็นอุปมาอุปมาได้ไหลายแนว เดีย๋ยวนี้พูดเฉพาะการขีดและการเลือนหายไปของรอยคิดถว่าจิตใจของบุคคลบางคนมันมีพื้นฐานความโกรธก็เรียกว่าโทสะธาตุหรือพยาบาดธาตุอยู่มากมากกว่าประเภทแรกเพราะมันพอกระทบอารมณ์ปับเข้ามันก็เกิดความโกรธแล้วไหนกัไหนเดียวกันก็ผูกโกรธไวเก็บความโกรธไว้ อาจจะต้องใช้เวลาบมบัดทางใจอยู่หลายๆวันแต่ในสุดมันก็เลือนหายไปได้เพราะถ้าคนที่เราโกรธแล้วความโกรธนั้นยังเก็บไว้เท่าเดิมนะนะคนคงจะเป็นประสาทหมดแล้วคืออยู่ไม่ได้แต่ว่าจิตมันปรับโดยธรรมชาติของมันคล้ายๆก็มีสิ่งเ ป, ปรกปลอมเข้าไปในร่างกายบางอย่างก็ปรับได้นะ ให้ปรับประโยู่ได้จิต ใ, ใจที่รับอารมณ์เราเกิดความโกรธมันก็มีแนวนั้นเพราะในจุดนี้ท่านจะเห็นว่าแสดงว่าพื้นฐานทางใจเนี่ยมันมีเชื้อความโกรธอยู่มากกว่าประเภทแรกแม้กระทบระดับเดียวกันก็อ่อนไหวได้ง่าย เรื่องเรื่องราวเหล่านี้แม้ในเรื่องอื่นเราเทียบได้ทั้งนั้นก็ดูที่จิตเราได้ทั้งนั้นข่าวในทางที่เป็นเหตุให้เกิดโกรธเนี่ยข่าวเท่ากันนะแต่พื้นฐานใจเราไม่เหมือนกันเราจะมีความรู้สึกต่างกันประเภทที่สามนั้นแสดงว่าเชื้อมันแรงเกิดใจประเภทมีแผลกระทบอะไรนิดหน่อยหน่อยมันก็ผูกฆ่ า, าพยาบาท เหมือนก็รอยขีดของคนคนเดียวกันดังกล่าวนั้นแต่วขีดลงไปในหินการลบเรือนนั้นยากมากซึ่งบางทีก็เรียกว่าเป็นสิบสิบปีมันก็ไม่หายไปเพราะเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเท่ากันเพียงแต่ว่าพื้นฐานทางใจของคนนั้นแตกต่างกันความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจจึงมีความเข้มข้นไม่เหมือนกัน ไอ้จาความเิค้คข้นมาเหมือนกันนั่นเองพระเจ้ากระสุงบัญญัติเรียกชื่อกิเลสเหล่านั้นต่างกันคือบางคนมันแค่มันไม่ยินดีแต่ก็ไม่ถึงกับตัวเองไปอึดอัดอะไรไปปัสสาอะไร้ไร้เขานี่เราก็ใช้อีกคำหนึ่งเรียกอารติคือไม่ยินดีแต่บางทีเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ระดับนั้นคือแสดงออกมาในรูปของการราคาญ การรำคาญนั้นเราสังเกตว่าเราไม่ชอบสิ่งที่มากระทบใจเราในขณะนั้นแต่มันไม่แรงมากก็เรียกว่าแค่รำคาญเช่นกำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงสุนัขนอนอยู่มีคนเปิดโทรทัศน์ดังแล้วคุยกันดังอะไรต่ดเนี่ยแต่ในสุดมันก็นอนได้นะฮะเพียงแต่รู้สึก ร, รำคาญนั่นเองประการต่อไปนั้นอาจจะถึงกับงงิน แตก็เรียกชื่อเรื่องหนึ่งว่าปฏิฆาแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเฉยๆมันไปเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองไม่พอใจมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วอาจจะวันสัวันแล้วแต่ว่าเก็บเอาไว้มันก็กลายเป็นเรื่องของอุ ป, ปนาหะที่แปลว่าผูกโกรธไว้อาจจนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นความโกรธ ความประทุสไรแล้วก็ยังไม่หนำใจไม่สาแก่ใจแล้วก็มีอาฆาตมีพยาบาทหาโอกาสที่จะแก้แค้นทำลายในช่วงที่กำลังหาโอกาสอยู่ที่จริงตัวเองประสบความทุกข์ทรมานมากสมมติว่าเราทำลายสำเร็จเนี่ยนะคิดว่าเกิดโกรธคนคนหนึ่งขึ้นมาเลยอาฆาตพยาบาทจนถึงก็ทำลายสำเร็จปัญหาที่น่าตอบหาคาตอบก็คือว่าเราได้อะไรแล้วเขาเสียอะไร คือเขาก็เสียในเรื่องที่เขาจําเป็นต้องเสียอยู่แล้วเพียงแต่เสียเร็วขึ้นก็คือชีวิตเพราะชีวิตมันเป็นสังขารยังไงมันก็ต้องตายอยู่วันนย่างครับเพียงแต่ตายเร็วขึ้นแต่นั่นเองแต่เราเองกลับเสียหายมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องทบาบาปไม่เหมือนจําเป็นต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพลัดพรากอะไนั้นะมันเรื่องจําเป็นเราหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้แต่พวกนี้เราหลีเลี่ยงได้ หลังจะทําไปแล้วก็จะประสบปัญหาหนาหนาชนนีนอกจากจะเดือดร้อนในชีวิตปัจจุบันแล้วตายไปก็ยังต้องเดือดร้อนอีกอย่างที่ทรงสอนให้คนที่คิดว่าคนที่ทําบาปรกรรมเอาไว้นั้นจะเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจะเดือดร้อนก็จะเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพรองเห็นว่าตนได้ทําบาปเอาไว้ เพราะในกณีนี้ถ้าหาวกว่าปัญญาเขาเกิดพิจารณาเทียบเคียงตัดสินวินิจัยทันในขณะนั้นๆมันก็หยุดจะได้ตรงในจุงหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความไม่มีอันตรายแต่ว่าอันตรายมันจะน้อยลงไปประํำนองแค่ขั้นศึกพมาก่าขั้นศึกมติกรุงศรียุตยานะครับคือเรามองเห็นภาพได้ ว่าที่จริงถ้าคนของเราในยุคนั้นทางเมืองการก็ดีเด่นจะ ด, จะดีสามองค์อะไรต่างๆมันเกิดรับผิดชอบมีการตื่นตัวหรือว่าในส่วนกลางส่งทหารไปสกัดกั้นเอาไว้ในบริเวณนั้นก็คงจะมีคนเสียหายเหมือนกันแต่คงจะไม่ถึงกัเผากรุงเพราะว่าเราไม่ให้เข้ามาใกล้กรุงเราแต่เราก็มองเห็นการล้มและในระนาดของคน ด้วยความบาดกลัวหรือความไม่พอใจใส่หรือความสูญเสียความเจ็บปัญตัวเองหรือความหินเกลตัวอะไรก็ตามก็สรุปว่าภัยอันตรายมันก็เพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นหรือแม้เราดูในระดับโรคภัยค่าเจ็บก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันเกิดมาความว่าไอ้โรคมันก็เกิดแล้วแต่ถ้าเราเรีบบําบัดเสื้อหนขณะนั้นการเสียแทงของโรคก็จะไม่รุนแรง อะไรตรงนั้นอาจจะเกิดบําบัดไม่ได้แล้วบําบัดในการต่อมาได้ไหมบรรณาลอยในการรับอารมณ์ที่จะไม่ให้เกิดความโกรธหรือความหมงุดหงิดหรือความรําคาญอะไรก็ตามซึ่งเป็นสนิมใจเป็นบนทินของใจเป็นความเศราหมองของใจเกิดขึ้นมันก็เปผาหล่นใจเราเพราะคนที่โกรธเนี่ยจริงก็คือคนที่ทําลายตัวเอง เราจะเดือดร้อนก่อนคนอื่นคนที่เราโกรธนั่นเขาเขาถ้าเขาไม่รู้เ้าก็ไม่เดือดร้อนเพราะความโกรธของเราแต่ส่วนจะเดือดร้อนอะไรนั้นเป็นเรื่องของเขาเพราะคนเรามันก็อยู่ในทะเลของความทุกข์แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือไม่เดือดร้อนเพราะความโกรธของเราเพราะตอนนั้นมาอยู่เฉพาะภายในใจเท่านั้นเองเพราะในเรื่องเหล่านี้พเจ้าจึงสอนในรูปที่ว่าคือถ้ามันผิดพลาด ทำยังไงผิดน้อยที่สุดแล้วก็มีอันตรายน้อยที่สุดยังในกรณีที่เราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วคือเห็นรูปแล้วฟังเสียงแล้วร้องริ้นแล้วแล้วก็กกไม่สอบขึ้นมาแล้วนี่คือทํำยังไงว่าในชั้นแรกเนี่ยถ้าไม่รับเรื่องเหล่า น, นั้นได้ไหมคือแนวคิดยัในสมัยโบราณเนี่ยก็มีเยอะแยะ ไม่อย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกเกลืออย่าเอาทองไปรักกระเบื้องอย่าลดตัวลงไปแต่ต่อสู้กับเขานะคือไม่ได้เรื่องชนชั้นแต่มาความมาในขณะนั้นที่จริงเขาก็ไม่เป็นตัวองตัวเองเป็นธาตุกิเลสอยู่แล้วแต่ลดลดตัวลงไปรบกับเขาแสดงว่าเราก็คือธาตุกิเลสด้วยกันก็มีธาตุกิเลสสองคนทะเลาะ ก, กันแต่นั้นเก็เป็นวิธีที่เรียกว่าให้ลดความรุนแรงลง เป็นการพยายามที่จะมองว่ามันเกิดประโยชน์คือได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสนะครับแต่ว่าให้สูญเสียน้อยก็คือได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่าประการแรกคือไม่รับไม่รับนั้นคือการไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญไม่ยอมรับมันก็แล้วแต่จะคิดอะฮะคือว่าคิดได้ดนา คิดในแง่ของกรรมก็ได้เพราะคนที่โกรธที่จริงเขาก็ประกอบด้วยวัจนตุจดิติแล้วในขณะนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ในขณะนั้นเองเราก็ยังดีๆอยู่ะก็แสดงว่าในขณะนั้นเขากําลังทําบาปเขากำลังตกเป็นทาสของกิเลสเราไม่ได้ทําบาปคนที่ําบาปจะต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเราไม่ได้ทําเราก็เห็นความมีสุดของเราตรงนี้ก็ดีไปแล้ว เราจะช่วยหยุดได้ทีนี้ตีต่างว่าเราเกิดหยุดตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ทำยังไงว่ารับจริงแต่ว่าอย่าอย่าถือไว้ต้นใจก็ว่าอย่าอุ้มไว้ก็คืออย่าถือไว้ถ้ามองใล้ๆกาโยนของสุกระกให้และโยนไฟให้เราถ้าเราไม่รับก็จบสิ้นกันเลยคือเราจะไม่เปื้อนและจะไม่ร้อน เอาละทีนี้มั น, ม, น, ม, นมันเกิดร้อนเกิดเปื้อนไปแล้วอะทํำยังไงว่าให้มันเปื้อนเท่าที่เปื้อนให้มันร้อนเท่าที่ร้อนนั้นก็คืออย่าอุ้มไปอย่าเก็บไปอย่าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นเอาไปเพราะอะไรก็ตามที่คนไปยึดเนี่ยจะไม่มีทุกเนี่ยไม่มีมันจะต้องมีทุกอยู่อย่างใดอย่างหนึน่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวก กิเลสกับพวกทุกข์คือหมายความว่าพวกผลทั้งหลายเนี่ยเรายึดไว้แล้กเท่านั้นเองตัวเราเองที่จริงมันก็เป็นผลที่ท่านเรียกว่าเป็นปัจจุปปัตฐานาาก็เกิดขึ้นโดยกิเลสกรรมไปปากปัญหาที่เกิดขึ้นมากก็คือเราไปยึดที่เราไปเดือดร้อนวุ่นวายกันเพราะเราเป็นเทตในตรงนี้ถ้าเราไม่ยึดได้นะความโกรธมันก็ลดลงไปาง ถ้าเราลองพิจารณาเทียบเคียงดูนะฮะเช่นสมมติว่าสมัยเราเป็นเด็กๆอัากินตรงไหนก็ได้ใครต้อนรับไม่รับก็ได้ใครยกกองเสนเสิร์ฟไเสนเสิร์ฟก็ได้ไปเข้าไปที่สมาคมจะให้นั่งตรงไหนก็เอาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่พอโตขึ้นในกิเลสมันโตตามจะต้องนั่งเก้าอีอา้อย่างงั้นจะต้องนั่งแถวนั้นนะฮะจะต้องมีชื่ออยู่ข้างบน คนทั้งหลายจะต้องลุกขึ้นตอนรับอะไรแต่ไหนเนี่ยถึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยคือหมายความว่าเขาจะทำอย่างนั้นหรือไม่ทำอย่างนั้นเราก็มีที่นั่งเรียบร้อยอย่งนั้นแหละมไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าที่มันเกิดเป็นปัญหาก็เพราะว่าอัตราเรามันโดขึ้นอัตรามันเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกพอใจในเมื่อได้รับการตอนรับแสดงความชื่นชมตามที่เราบงมาปรารถนา เราจะรู้สึกไม่พอใจนะที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดอันนี้จริงเก้าอี้ก็คือเก้าอีนะ้น้ําดื่มก็คือน้ําดื่มน้ําก็คือน้ํามั น, นไม่แปลกอะไรนะแต่นี้ความรู้สึกของอัตตาที่มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโดยนะเฉพบว่าบางทีเนี่ยไอ้คนซึ่งบางทีเคยกินอาจจะกินน้ํามันก็ลารึว่ากินน้ํากับฝายมือของเราเองนะแล้วถึงท่อในท่อ บ, บางแหง่งบางทีมันก็มีที่กดแล้วก็น้ํา พุ่งขึ้นมาแล้วอ้าปากปากรับก็มีมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็ดื่มน้ำเหมือนกันแล้วเราก็ได้สําเร็จประโยชน์จากการดื่มน้ำโดยไม่ต้องโกรธใครไม่ต้องเกลียดใครไม่ต้องยิงยังใครเราต้องการประโยชน์อะไรเราก็ได้จากประโยชน์นั้นเรียบร้อยแดดแต่ทีนี้บางทีเนี่ยพราสถานะเราเปลี่ยนแปลงไปอัตรามันก็โตขึ้น ที่จะใส่น้ำก็ต้องพิเศษที่จะนั่งก็เป็นพิเศษอะไรก็เป็นพิเศษเลยก็กลายเป็นเรื่องบุญบายและถ้าไม่ดีมันพร้องเกิดโทสะหมดทีนี้ถ้าดีล่ะดีเพ่งเกิดโลภะอีกอะเราก็อยากได้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกทีแล้วก็อยากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนั่นก็คือโครงสร้างของจิตวิญญาณแต่มนุษยชาติแปว่าในยุคสมัสมสยใดก็ตามคนก็เป็นอย่างนั้นเอง ก็เป็นสู่ก้นตันหาที่ต้องแสดงว่าปโนปวิกาคือขอเกิดความมีความเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นน้องอยากเป็นไปรเรื่อยๆนันดิรากัสากตาจิตชาพัวพันหมกมุ่นบุ่นวายคลุ่ น, นคิดตึกนึกเนียวนึกโยนลึ ก, ก, ย, ก, ก, กย้อนระลึกโยนเนี่ยก็ในเรื่องที่ตัวใครก็ปรัถนาเราป่อยไปเพราะในกรณีนี้แหละพระเจ้าทาั้งก็สอนให้ ลดความรุนแรงในเรื่องนั้นไม่ได้มาความตัดปัญหาคือปัญหามันเกิดแน่นอนแต่ที่จะทำยังไงมันเกิดน้อยหน่อยในคั้งแรกก็คือไม่รับถ้าได้ก็ดีครั้งสองรับก็อย่าไปยึดวางๆซะบ้าทิ้งๆซะบัางก็ไม่มีอะไรนะฮะใกล้ๆกับผีหลอกคือถ้าเราไม่ไม่ให้ความสำคัญกับผีมันก็จบละ ไว้ที่ไหนก็ได้แต่ที่เราเดือดร้อนวุ่นวายต้องมีเพื่อนต้องส่งเสียงดังต้องอะไรต่ออะไรต้องใข้หัวโกรธในี่จริงๆมันเรื่องเราปลุงเอาเราไปคิดเอาสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีมันก็ไม่ได้ทำอะไรใครได้นะ่ะชีวิตเท่านั้นเองเป็นชีวิตชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในหมู่สัตว์โลกเท่านั้นเองสั้นสิ่งที่เราแสดงความบาดกลัวที่จริงมันเป็นจินตนาการสะสม อ่านภาพการ์ตูนบ้างอะไรทะไม่ได้บ้างเล่านิทานบ้างแล้วก็ปรุงเอามาเป็นจินตนาการมากกว่าเป็นเรื่องจริงคนเราจึงกลัวผีทั้งทงที่ทไม่เคยเจอกับผีอยู่กันมาจนแก่แล้วนะถามว่าเคยเจอผีไหมมันก็นอกจากสางศพในโลงมันก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าคนก็กลัวมากแล้วอใคราำให้ตัวเองเกิดกลัวก็กรุดแต่ก็จริงเราจะพราบว่ามันเป็ความต้องการในขัดแย้งกัน ย่งเด็กไม่ว่าในส่วนใดของโลกเนี่ยชอบฟังนิทานเรื่องผีพอเล่าเรื่องผีเธอก็กลัวนะเธอก็ไม่กล้า น, นอนเดี๋มาเบียดเสียดพ่อแม่มานองกับพ่อกับแม่เป็นต้นนั่นก็แสดงว่าจริงๆความต้องการของเธอกังขัดแย้งกันเธอกลัวผีไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับเป็นอยากอ่านนะอยากฟังอยากก็เล่านิทานเพราะว่าหนังผีก็ดีหนังสือที่เกี่ยวกับผีก็ดีอะไรแต่เนี่ยจะขายได้ดี คือความต้องการก็โกรธมาขัดแย้งกันในตัวเขาเองเน่ในในกรณีนี้จึงทรงสอนให้มองในแง่ว่าเราไม่ต้องการเร่ว่าต้องการความโกรธในะชั้นแรกก็คือไม่รับชั้นที่สองรับแล้วก็หวางเสียคือทิ้งเสียทีนี้มันเกิดวางอย่างไม่ได้มันเปแนวนการผูกโกรธอยู่ไม่พอจะอยู่ก็เราสั่งว่าทํำยังไงอย่าอุ้มไว้อย่ากอดรัดเอาไว้หรืออย่าอุ้มไว้ หมายความยังไงหมายความว่าแล้วไปแล้วก็ให้แล้วกันจะบ้างไงนะเรื่องต่างหลายวันแล้วยังเอามาคิดอยู่อีกที่จริงเรื่องขณะกอ่นกอนขณะก่อนคือ น, น้าที่ก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในนาที่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแปรปวุนแตกลับไปแล้วในนาทีก่อนเพราะถ้าเราไปรู้อฟื้นขึ้นมาที่จริงก็คือผีคือคื อ, ค, อคือสิ่งที่ตายแล้วเรารู้พื้นขึ้นมาแล้วสุดก็มันหลอกตัวเอง นั่นเป็น ล, ลักษณะที่ไปกอดรัดอารมณ์เ่านันเอาไว้ไปอุ้มรัดอารมณ์เ่านันเอาไว้ทีนี้เอาสมมติว่าถึงตรงนี้แล้วทำยังไงอย่าบันแรงก็ทรงสอนอีกระดับหนึ่งบอกว่าแล้คุณยังไงคุณก็กอดคุณก็อุ้มอารมณ์เรานันอยู่แล้วในเรื่องนในตอนต่อไปนี่อย่าอย่าบางวนไปคือหมายความว่าอย่าให้เชื่อ อย่าให้เชื่อแก่ไฟกิเลสมันเป็นไฟถ้าเราไม่เพิ่มเชื้อเนี่ยมันมันไม่ค่อยแรงอะไรแต่ไห่ทำเชิเฉยเสียเล อ, อคิดในเรื่องของกรรมหรือว่าปล่อยเข้าไปในอุบเบกขาก็แล้วแต่หมายความว่าเราไม่เอามาปรุงคิดในแนวที่ไม่ดีเพราะถ้าคิดแนวไม่ดีกิเลสมันเพิ่มแน่นอนเรอนี้จึงอาจจะใช้ในการคิดถึงความดีของเขา เช่นเราเพื่อนฝูงนี่คือคนทะเลาะที่จริงคนคุ้นๆกันนะฮะคนที่เราไม่รู้จักไม่ทะเลาะกันครับเราไม่ไปทะเลาะถึงแอฟริกาถึงอเมริกาอนะไรคนที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นคนที่เราทะเลาะส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยู่ภายในครอบครัวนั่นเองทะเลาะกันมากที่สุดแล้วต่อมาก็เป็นพวกวงศากนาญาติเชื้อสายเผ่าพันธุ์เครื่องตอเตาหลองก็พวกเดียวกันจะไปทะเลาะกับคนที่เกะกะบางพวกบางหมู่อนะไร จึงหมายความว่าคนเหล่านั้นต้องเกี่ยวข้องกับเราจึงต้องมีการทะเลาะถ้าไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่มีการทะเลาะตีใจะจ า, จากการที่เกี่ยวข้องกั น, นทำเราให้ทําให้เรา ล, ลึกถึงได้ทั้งเรื่องไม่ดีและก็เรื่องดีของเขาแต่พอเราโกรธเขาเนี่เราไม่ยอมพูดเรื่องดีไม่ยอมคิดถึงเรื่องดียังยกตัวอย่างว่าพ่อแม่โกรธลูกหรือลูกโกรธพ่อแม่หรือสามีโกรธพัญญาหรือพัญญาโกรธสามีนะฮะ หรือเพื่อนกรธเพื่อนอะไรก็ามหรือแม้แต่ครูกดจิตหิษย์กดครูรก็ปยาบาดกันคนแต่ละคู่เหล่านี้ถ้าเรามองเอาความดีกับความไม่ดีมาบุกลบกุนานกันแล้วเนี่ยความดีมันชนะทุ่มทนเนี่ยมันมีมากมายก่ากองมากมายเลยเช่นอย่างพ่อแม่ที่ท่านเกิดเรามาเนี่ยแม้แต่ท่านเกิดเรามาเพียงอย่างเดียวก็กกกเยอะแล้วนะ การที่ท่านสามารถให้กำเนิดแล้วก็มีชีวิตเป็นคนแก่เราได้ก็เพราะท่านเป็นคนถ้าท่านเกิดไม่เป็นคนเราก็เป็นคนอยู่ไม่ได้นะฮะเพะิ่งเอาครับขนาดว่าท่านให้ความเป็นคนก็พอแล้วรู้จักคิดรู้จักอ่านรู้จักมีสติปัญญาที่จะตรวจสอบปัญพิจาราแต่ว่าคนไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดถึงความดีเพราะว่าจิตใจเวลานั้นมันก็ถูกโรยะครอบงามดังนั้น เอาจึงเอาไปหมกมุ่นคุ้นคิดด้วยอํานาจของพยาบาทวิตกคือจึงเรื่องแน่แนของพยาบาทมันก็เป็นอคุสนคือถ้าแรงเนี่ยมันก็เป็นอคุสนกรรมบทตทีนี้ถ้าแรงน้อยลงมามันก็เป็นพวกนิวรณ์หรืกสังโยชน์เป็นพวกอนุใส่เนี่ยสรุปว่า ที่จริงแล้วก็คือความโกรธด้วยกันก็คล้ายๆกับเราดูง่ายๆนะเหมือนกับแกงถ้วยหนึ่งกับแกงกระทะหนึ่งหรือหลายๆกระทะก็แกงชนิดเดียวกันเพียงแต่ว่าคนมันมากนะฮะต้องแกงมากกินกันไปแล้วกรสชาติก็คือกันคุณค่าของอาหารก็คือกันไอกิเลสธรรมะมันก็มีแนวนั้นคนในตรงนี้อะ เพื่อต้องการแม้จิตใจคนมีความลำเอียงเพราะฉะนั้นก็อย่าถึงก็ไปให้ความสําคัญแก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบมากเกินไปหมายความว่ามันเกิดเท่าไหร่ก็ค่ะมันเกิดเท่านั้นแล้วมันดับไปเท่านั้นก็อย่าให้เชื่อเขานะ่ะที่ตรงใช้คำว่าอย่าบังหวนขวัญทีนี้สมมติมันมันคิดไปแล้วอ่ะมันนอนไม่หลับไปแล้วอ่ะทํายังไงล่ะ อยาให้ถึงก็ลุกโรผงคืออารวาสก็เรียกว่าฟุ้งซ่านรําคาญหงุดหงิดอึดอัดเดือดร้อนวุ่นวายอารวาสหยิ บ, บข้าวของควง่างปาอะไรอะไรนะฮะที่จริงก็คือไม่มีเรื่องะไรมันเป็นเรื่องของความโกรธที่มันแรงขึ้นแล้วก็อยู่ในจุดหนึ่งที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้พอทำไม่ได้ก็เลย ก, ก็เลยทํำลายตัวเองมันก็มีเป็นอาการก็เด็กๆกลางๆคิดแบบเด็กๆ พจน์แนวเหล่านี้วิธีทั้งสี่ห้าประการเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดเฉพาะความโกรธนะพูดเรื่องอื่นก็ได้เปยนเพียงตัวอย่างแต่ยกมาเห็นว่าพวกกรืลอที่เกิดขึ้นภายในใจเราแล้วครอบงำใจเราจนถึงก็เป็นนายเราเนี่ยถ้าเรารู้จักหน้าตามันให้ดีแล้วก็เอามันให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเราก็จะเป็นคนดีเพิ่มขึ้นได้ เป็นการหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กรณอนอนคล้ๆกับเรามีอะไรเข้าไปเป็นติดก้างติดคอนีก็เรียบเอาออกจ้ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าเชื้อโรคมันเริ่มจะเกิดขึ้นก็รีบผิดยารีบรักษารีบระคษอนอะไรเชื้อโรคมันก็หายไปธรรมะปฏิบัติมันก็อยู่ในแนวนี้ เพรประเด็นสําคัญของเรื่องกิเลสประเภทนี้เรื่องกิเลสไม่ใช่ประเภทนี้ประเภทไหนก็ตามนะครัเจ้าทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดความรุนแรงของโทษลดความรุนแรงของกิเลสนะพอถ้กิเลสลดความรุนแรงลงไปเนี่ยการพูดการทําเราก็จะลดความรุนแรงลงมาไอ้โทษโทษมันก็ลดน้อยถอยลงมาจนถึงกับกิเลสมันหมดไปสิ้นไป การกระทำของคนก็จะมีความสมบูรณ์ขึ้นไปโดยระดับจนถึงสมบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยมตอาจะนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสุขต่อไป